วัเรเป็นวันเก็บอารมณ์ที่แรกว่าให้กลุ่มที่สองเก็บอุรมที่สามเก็บภูนี้มาดูความพร้อมของกลุ่มที่สามก็มีความพร้อมสูงก็เลยจะให้เก็บตัวแต่วันนี้อย่างน้อยก็ได้สักสองวันวิธีการก็คือหลังจากที่เราออกจากที่นี่ไปรับอาหารเช้าพอเราอาหารเช้าเสร็จเราจะไม่ต้องพัก รับเสร็จเราเตรียมของส่วนตัวจะมีน้ำมียากันยุงพอเราจะเข้าไปในโซนที่ที่สามเข้าข้างในส่วนที่ 4, สี่สหรับกลุ่มที่สองเราถือว่ากลุ่มที่เก็บล้อุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มกลางเก่ากลางใหม่เมื่อวานหลวงพ่อเขาไปดูสถานที่มีอยู่สามจุดจุดที่หนึ่งก็คือ กุฏิไม่เล็กกุฏิสองก็คือกุฏิที่ทานบรมีกุฏิที่สามก็กุฏิอะไรไกลวนันอะไรนี่นนะแหละไตรักมีไตรักส า, สามสลาใหญ่ๆเนี่ยมีสองสลาใหญ่เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่สองเนี่ยสามารถจะอยู่ใน สามสถานที่นี้พอวออีระเบียงรอบระเบียงรอบสีด้านน้อยด้านละคนะด้านละคนแล้วก็ไปนั่งแล้วเดินโยกุมในที่ระเบียงนั้นดูแลสามหลังเนี่ยระเบียงรบสีก็สี่สามสิบสองได้สิบสองคนกันงกลุ่มเก่ากางใหม่ก็มีอยู่สิบสามคนใช่ไหมสำหรับข้างในสลาสองหลังคือสลาทานบรมีสลาไตารักษ์นี่ ก็มีข้างในด้วยอย่าเปิดข้างในในข้างในในกรณีที่คนในกรณีที่ฝนตกหรือกลัวยุงเนี่ยกระโดดเขไปข้างในข้างในสามารถอยู่ได้ถึงสองคนในกรณีฉุกเฉินก็เช่นฝนตกลมแรงหรือยุงแรงเนี่ยอาจจะเข้าไปนั่งปฏิบัติร่วมกันข้างในก็ไ ด, ได้แต่ถ้าเรามียา ก, กันยุงเราอยู่ข้างนอกก็อยู่ในป่าเพาะเร า, เ, ราเป็นคน มาจากถิ่นอื่นยุงไม่คุ้นกลิ่นมันก็จะมากวนแต่สาหรับคนที่เขาคุ้นกลิ่นแล้วยุงก็จะไม่กวนเพราะฉะนั้นในตำเพนเราอาจจะทานที่นู่นเลยทางเมื่อกลัวอาจจะเอาอาหารใส่ท้ายรถไปกระมังไปแล้วก็ออกมาตั่งอาหารที่ถนนสำหรับกลุ่มที่สามกลุ่มใหม่เราจะให้นั่งปฏิบัติตามถนนจะยาวเนี่ย ก็จะอาจจะมียิง้งมีลิ้นกวนบ้างแต่ก็ปรารถนาว่าวันนี้น่าจะแดดออกอถ้าแดดออกมี่ยิ้ลิ้นก็ไม่ควนเท่าไหร่ถ้าฝนตกไม่แน่นะอันนี้ก็เลยว่าเราหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็เตรียมมาวอรอที่นี่แล้วก็จะพากันเดินไปที่นุ่นอ่าก็น่าจะมีอัศานะไปด้วยอาสนะอาจจะให้ติดรถไปก่อนก็ได้ นะเป็นพาลาาในการถือของสมภารต่างๆาายอยาจรค่บอกว่าใด้วยกรมกช้อนไปด้วยกระมังช้อนไปด้วยอ๋อก็ได้นะกมัก็ช้อนที่เราล้างแล้วนี่นะที่เราถือเป็นของเราไปเลยแ้วน้ำายากันยุงออส น, น็อาจจะใส่รดไปที่หลังก็ได้ นะตอนนี้เห็นคนงานเข้าไปทําความสะอาดอยู่คือเรามาที่นี่เราต้องการสัมผัสทุกพื้นที่ของเขาให้ใช้ประโยชน์นะเพราะว่าเราหาอากาศมายากแล้วต่อไปถ้าเราจะมาอีกเราก็นึกหลับตาออกว่าในโซนสีห้าโซนนี้เป็นอย่างไรนะเราจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะเขาสร้างมาที่นี่คิดว่าหมดหลายล้านนะเพรา ะ, ะนั้นเราก็มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มที่เขามีอยู่ เขาจะได้บุญกุศลกับเราเพาเราไปใช้เป็นสถานที่ภาวนาไม่ใช่มาพักมานอนมากินมาเล่นเฉยเพราะฉะนั้นผู้ที่เขามีศรัทธาบริจาคเขาก็จะได้บุญกับเราด้วยเราก็ตั้งใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้มาสัปเหระะ่ายังนี้ไม่ใช่ของง่ายโดยบุญบา ร, รมีของคนที่คอาสร้างและโดยบุญบา ร, รมีของพวกเราที่ได้ีโอกาสได้มานะดังนั้นเรากา็ใช้สถานที่ให้อ่า ครบถวนนี่แล้วก็สิมทรัพย์เอาความวิเวกความสะดวกฮะแล้วก็ถ้าหากว่ามีสำหรับพระเราก็พระ่นั น, นปอกกระดั่นอัก็จะดูกลุ่มที่หนึ่งคือเก็บอารมณ์ตามพุธทธิต่างๆคือไปดูแลให้กำลังใจใครง่วงไครเงาไร เบื่อให้ที่เกียจก็ช่วยดูแลจุดนั้ น, นกลุ่มที่สองที่เข้าประจำศาลาและกุฏิคือกลุ่มกลางเก่ากลางใหม่สิบสามสิบสี่ท่านนี้ก็เจนเอกจะค่อยเข้าไปดูแลจัดการให้อารมณ์สำหรับกลุ่มที่สามที่อยู่ตามถนนอรรมาก็ท่านเอฟจะช่วยดูแลให้อันนี้คือ สรากกิจกรรมที่เราตกลงกันไว้ก่อนนะแล้ววั น, ผ, นผู้นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีปัญหาระสักเรื่องฝนเรื่องลมเราก็สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อีกชุดหนึ่งคราวปลาอาหารก็จะจัดตามอัตราภาพคือใส่ท้ายรถไปจนไปถึงช่วงเย็นประมาณสักสี่มงครึง่งใกล้ห้าโมงล้วก็เดินกลับออกมาทำหน้วถ้าเสร็จก็ อาจจะหรือบางทีอาจจะปฏิบัติจนนึกถึงค่ำเลยกลับมาก็อาบน้าเข้าที่พักเลยก็อาจจะเป็นได้ดูสถานการณ์ก่อนพันนี้เราต้องการให้มีสัมผัสทั้งสองอย่างปฏิบัติโดยพื้นฐานโดยทั่วไปและปฏิบัติแบบเก็บเข้มแปรอารมณ์เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเรากลับไปบ้านเราเราสา ม, มารถที่จะทําแบบนี้ได้อันนี้ ทุกคนเข้าใจเนาะว่าไม่มีประสบปัญหาตันนี้เราลุกขึ้นเดินเราเดินประบาหารัต